ความจิตที่หิวทรรมและอิ่รรมทมผิดกับความหิวและความอิ่มในสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตคข้า ม, มาจิตหิว ร, รมนีม่แล้วก็แยกออกมาพูดคือจิตพอใจในธรรม มีความดืดดื่มอยู่กับท ร, ร ม, มากน้อยเพียงไง ย, ย่อมยิ่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดืดเดื่มกับสิ่งอื่นซึ่งเกี่ยวไปได้วยความทุกข์มึนเฝงกันไปในขณะนั้นความอิ่มทาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก ท่านเรียกว่าปีติคือความอิ่มใจปีตินี้จะมีไปเรื่อยๆาตามขั้นแห่งธรรมถ้าทำติดใจละเอียดปีติก็ละเอียดจิดใจหยาบนังหยาบอยู่ปีติแสดงขึ้นก็หยาบบางรายก็ท่านถึงเรียกว่าอุเพงคาปีติ อย่างผ่าถอนก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยไม่ใช่เราจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นได้การแนะนําสั่งสอนบรรดาท่านผู้มาอบรมศึกษาไม่ว่าทางพระไม่ว่าฝ่ายคารวะมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจอยากให้ได้อยากให้เห็นอยากให้รู้ ในธรรมทั้งหลายเพราะความรู้ความเห็นความได้ธรรมผิดกับความรู้ความเห็นความได้สิ่งอื่นใดในโลกทั้งสิ้นะฉงนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงอัดธรรมยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเท่าไหร่ ลักษณะสูงเสียงหรือเมื่ออาดเมื่อทาจะมีความเข้มข้นเป็นลำดับลาดับจนถึงกับอาจชิดได้ว่าท่านอาจมีโทสะหรือมีอะไรไปทำนองนั้นความจริงแล้วเพราะความอยากให้รู้ให้เห็นเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกันที่แสดงออกมาด้วยความเข้มข้นนั้นแสดงออกมาจากจิตใจที่มี ความมุ่งมั่นมีความหวังต่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายและถอดออกมาจากความจริงที่ได้รู้ได้เห็นอยู่แล้วปจจระจําจิตใจซึ่งไม่ต้องไปคว้าหามาจากที่ใดไม่ว่าฝ่ายเหตุและฝ่ายผลเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อยู่กับใจผู้เป็นผู้ดําเนินมาแล้วทั้งนั้นตลอดถึงการรู้การเห็นซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติ พรหลักธรรมชาติเป็นสิ่งที่เปิดเผยกับตัวของนเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีความผิดดังนี้รับแม้แต่วินาทีนี่เป็นสิ่งที่เปิดเผย อ, อยู่ตามความจริงของตนทุกๆสภาวะธรรมไม่ว่าภายในร่างกายของเราจิตใจของเราที่แสดงตัวออกมาต่างๆ ต, ตลอดถึงสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน เพรนั้นความรุ่งหลงที่จะไปติตในสิ่งต่างๆจึงไม่เลือกการสถานที่มีความคิดได้ตึงได้สําคัญมั่นหมายได้ติดได้รากได้ชังได้เลียดได้โกรธได้ทุกการสถานที่และเอียบบทต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีสิ่งที่จิตจะคิดไปเกี่ยวข้องเป็นก็เป็นของที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน สิ่ที่คิดที่ปรุงขึ้นมาภายในจิตใจก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู่ต่างอันต่างมีอยู่ด้วยกันจึงคิดได้ติดได้ด้วยกันทั้งนั้นพันเรียกว่าธรรมนั้นเปิดเผย อ, อยู่ตลอดอยู่แล้วนอกจากสติปัญญาของเรายังไม่สามารถที่จะทราบความจริงหรือเปิดจะเปิดเผยความจริง น, นั้นออกมาด้วยอํานาจของสติปัญญานี้เท่านั้น <c oughs> ถึง เป็นลักษณะรุ่มนุ่มดอนดอนวันนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้แต่วันนั้นเป็นอย่างนั้นไม่สม่ำเสมอบางวันไม่รู้เลยบางวันมีความสว่างสวยบางคันบางวันมีความสงบเย็ยนใจเพราะจิตขั้นนี้เป็นขั้นรุ่มรุ่มดอนดอยังไม่สม่ำเสมอเรียกว่าตั้งตัวยังไม่ได้ก็ต้องมีได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดา อย่างไงก็ตามเราไม่ต้องไปเจาะอกะเจาะใจกับการได้บ้างเสียบ้างเพราะเป็นการเริ่มแรกจิตของเรายังตั้งตั้งตัวยังไม่ได้แน่นอนเรื่องยังไม่ได้ถนัด ก, ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันแม่ครูอาจารย์ท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์ต่าสอนพวกเราท่านก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วไม่ใช่ว่าปรับ ป, ปับก็จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ปัจจุบันทันทีแล้วเป็นครูสอนโลกได้เลยอย่างนั้น คิดดูตั้งแต่พระพุทธเจา้าก็ถึงหกท่าพรน า, าอย่างเอาจริงเอาจั ง, เ อ, จงเอาเป็นเอาตายเทราว่าแม้เะนั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายทุกได้ซึ่งวันแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์ท่าความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลาหกปีจะไม่ลำบากละมุลอย่างไรถึงขนาดสลบทะเลย นี่เราผูเป็นลูกปิดของท่านก็มีความหนาบางต่างกันตามผลิตนิสัยหรือปนิสัยของคนเช่นเดียวกับน้ํามีอยู่ในพื้นดินนี้น้ํามีขุดลงไปก็เจอแต่ว่าลึกตื้นต่างกันเท่านั้นบางแห่งก็ขุดลงไปไม่กี่เมตรก็เจอน้ําบางแห่งขุดลงไปก็จนลึกแสนลึก ถึงเจอน้ำกลมไอ้เรื่องเจอน้ำนั่นเจอเพราะแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยน้ำทำไมก็ไม่เอืออันนี้เรื่องความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่สติปัญญาของเราจะสามารถอาจรู้ได้เพียงไรนั้นย่อมมีต่างกันเกี่ยวกับเรื่องอุปนิสัยการปฏิบัติจึงมียากมีง่ายต่างกันดังที่ท่านสอนไว้ทุกขาปฏิปทาท่านทาพิญญานี่ ประเภทหนึ่งทั้งปฏิบัติลําบาก ท, ทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทห น, นะทุขาปฏิป ท, ทาคิดปาพินยาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วอประเภทหประเภทหนึ่งทุขาปฏิป ท, ทาคิดปาพินยาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ สุขาปฏิบธาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี้เป็นพื้นฐานของสัตว์โลกที่จะต้องเป็นในธรรมสิธตามธรรมสิทธิต่างมีเลี่ยงไปไม่ได้เป็นแต่เพียงไม่ทราบว่ารายใดจะเข้าในลักษณะใดแห่งการปฏิบัติของปฏิปธาทั้งสี่เราเราเองก็ ก็อยู่ในข่ายแห่งปฏิบัติธรรมทั้งสี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างใดก็ตามก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตะเกียรตะกายไปตามความสามารถของเราตามวาสนาของเราหรือเราถูกในจุดที่ว่าน้ําอยู่ลึกเราก็ต้อง ขุดลงไปจนกระทั่งถึงน้ำถ้าเราถูกตาน้ำตื้นๆเราก็ขุดได้สะดวกแล้วก็ถึงน้ำได้เลยเรื่องสัจธรรมนั้นมีอยู่ตื้นๆเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ความรู้ความเข้าใจความสามารถของเรานั้นอาจจะกําลังยังไม่พอ ซึ่งพอจะฝุดคนจะจะทท้นสัจธรรมคือความจริงนี้ขึ้นมาให้เปิดเผยได้อย่างประจัดในภายในอันรวดเร็วจึงต้องอาศัยความพยายามสำคัญที่ความภาคเพียรเราอย่าถอยนี่เป็นทางของนักปราชญ์เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ะปโดยลำดับไม่ได้ทางที่จะอัเเบเท้าเบาปัญญาหรือตกนรก เป็นทางที่จะพยุงเราให้มีความเจริญโดยลําดับการปฏิบัติเราอย่าไปคาดวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นซึ่งจะทําให้เรามีความท้อถอยก่อนแอแล้วก็ท้อใจนละหมดกําลังใจไปด้วยเมื่อหมดหมดกําลังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความภาคเทียนโดยวิธีต่างๆนั้นจะลดลงไปโดยลําดับจนกระทั่งไม่มีความภาคเทียนเลย นี่ไม่ใช่ของดีเราจริงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะเป็นภัยต่อการดำเนินของเราเราตั้งหน้าเข้าสู่แนวรบอยู่แล้วโดวยกันตั้งหน้าที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นภาตกรอยู่แล้วโดวยกันมีความภาคยันเต็มศักย์กาลังอยู่แล้วโดวยกันทำไมเราจะเป็นคนนอกบัญชีไป บัญชีมีอยู่กับการกระทําของเราอยู่แล้วเวลานี้บัญชีเพื่อความรู้แจ้งแห่งจริงเพื่อความปลดเครื่องทุกไปโดยโดยลําดับลําดับดูกับการกระทําของเราซึ่งกระทำอยู่ทุกวันทุกเวลานี้เราเองจะเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ประกันตัวของเราโดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือพิสูจน์หรือพุจครณ์ทันในมอบให้แล้ว เป็นหน้าที่ของเราจะเข้าสู่แนวรบเมื่อได้อาวุธไม่ใช่หน้าที่ของผู้อื่นใดที่จะทำหน้าหน้าที่ในการรบด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาแล้วนั้นทุกเพียงไรก็ให้สราบทุกเพราะความเพียร ไม่ใช่ทุกที่เสียประโยชน์ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทรมานอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ไม่พิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมนี่เราพิจารณาอัดทมอยู่แล้วทุวกจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ให้ทราบไปในตัวว่านี้คือสัจธรรมต้องเป็นคู่เคียงไปกับความเพียรของเราคนมีความเพียรมีคนมีสติมีปัญญาริมจะทราบเรื่อง ต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวได้เป็นอย่างดีมีทุกขษัสตร์เป็นต้นเราอย่าไปท้อถอยในเรื่องความทุกข์อย่าไปอ่อนใจในเรื่องของทุก์การอ่อนใจในเรื่องความทุกข์คืออ่อนใจต่อการต่อผู้ปฏิบัติคืออ่อนใจต่อทางนำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ของตนซึ่งไม่ใช่ของดีเลย ทุกมากทุกน้อยในขณะที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสติปัญญาศัทธาความเพียรที่กำลังบังชาของเราจะปุดค้นให้เห็นความจริงของทุกทุกด้านจะเกิดในด้านใดส่วนใดของอรายาิยวะของร่างกายหรือจะเกิดขึ้นภนายใจิตใจก็เรียกว่าทุก์เช่นเดียวกันจึงเหล่านี้จะเห็นจริงเห็นแจ้งกันด้วยสติกับปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะขุดค้นความจริงที่มีอยู่เหล่านี้ให้เห็นได้อย่างประจัดจนกระทั่งต่อยวางกันได้เรียกว่าหมดคดีเกี่ยวข้องกันคูวาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินที่ท่านดาเนินมาแล้วมาสอนพวกเราองค์ไหนที่ปรากฏชื่อลูนามว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนพระเนรนั่งมาก รู้สึกจะท่านจะเป็นทะที่เดินตายมาด้วยกันไม่ค่อยจะอยู่ธรรมดาทำบำเพ็ญธรรมดาแล้วได้รู้ขึ้นมามาเป็นภู้พิเาจาร์ของบร ร, รดาลูกศิษทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นท่านเวลาที่ท่านไปบำเพ็ญเราไม่รู้ไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นยังไงทุก จะไม่ทุกยังไงไปอยู่ในป่านในเขาไม่มีบ้านมีเรือนอาศัยดินเท่าบาทเขากินเป็นวันเป็นวันสถานที่อยู่ทางที่ไปปัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นสิ่งจะอาศัยโลกทั้งนั้นองค์ท่านเองมีแต่บาปบาปก็บาปเปล่าเปล่าถ้าสามภูมคือใจกีวรสบงกีวรทั้งคาติ และผ้าอาบน้ำเท่าไหร่และความที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวต้องอาศัยคนอื่นทุกทิ้งทุกอันชนนี้จะหาความสะดวกสบายมาจากไหนท่อเรื่องของท่าต้องเป็นเรื่องสม่ำเสมอต้องเป็นผู้อดผู้ทนจะหิวจะกระหาจะลำบากลำบนแค่ไหนต้องอดต้องทนเต็มความสามารถด้วยความภาคเพียรแห่งสมณะหรือแห่ง ศากะยะบุตรคือลูกสถาพดเวลาทําความภาคเทียนก็ไปทุกกับเรื่องความเทียนการแก้ที่บุตต่อสู้กันกับพิเดสตระเภท ต, ต่างๆเพราะพิเดตบางตระเภทก็ผาดโผนมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเรามานันเราจะกดเข้าลงอยู่ใต้อำนาจนั้นย่อมเป็นของลำบากไม่ใช่น้อยๆเราเองก็ยัง ไม่อยากจะปลุกเครื่องเขาถือว่าเขาดีอยู่แล้วเนี่ยในหนักหรือในความรู้สึกของจิตดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรในท่าต่างๆเช่นท่ายืนท่าเดินท่านั่งหรือท่านอนเป็เป็นความลําบากด้วยกันคำว่าท่านอนไม่ใช่นอนหลับท่านอนคือท่าความเพียรของผู้ทําความเพียรเช่นเดียวกับท่ายืนท่าเดินท่านั่งนั่นเอง บางเะดีย์นิสัยชอบนอนก็มไม่หลับนอนพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับนั่งพิจารณาท่านจึงเรียกว่าเะดิย์นิสัยต่างกันบางองค์ชอบภาวนาดีในในเวลานอนเวลาดื่มเวลาเดินเวลานั่งต่างต่างกันอย่างตามเะดิย์นิสัยและความภาคยันทุกประเทศเป็นเรื่องที่จะถอดจะถอนจะ ขุดจับคน้นกิเลสออกจากจิตใจของตนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเบาๆสบายๆได้อย่างไรต้องทุกข์ต้องลำบกความรักก็เหนียวความเกลียด ก, ก็เหนียวความโกรธก็เหนียวขึ้นชื่อววิเลสเนี่ยแล้วเหนียวฝังลงอย่างลึกลงถึงขั้วหัวใจเราจะถอดถอนได้ง่ายๆเมื่อไหร่แล้วฝังมากี่ขับกี่การฝังอยู่ที่หัวใจของสาสตร์โลก การถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นภาระอันหนักความทุกข์ก็ต้องมาไม่ว่าจะกิเลสประเภทใดก็ตามมันออกมาจากรากเหง้าข้ามูลของมันคือหวัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นเพราะฝังจมกันมาหนาะเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดทนายว่าเรานี้ยิ่งลึกกว่าเพื่อนหนึ่ง ก็ยิ่งจะเป็นการจมลงไปอีกด้วยอุบายของกิ่เหลียหลอกเราในเราพูดถึงเรื่องความเพียรหรือความทุกข์ความลำบากของครูของอาจารย์ที่ท่านมาในะ น, านําสั่งสอนพวกเราท่านต้องใช้ความอุตสาห์พยา ย, ยามจนกระทั่งได้เหตุได้ผลจากการพูธปฏิบัติเรียกว่ามีต้นทุนขึ้นมาภายนา จ, จิตใจใจก็ตั้งหลักได้สติปัญญาก็พอคิดอ่าน่ตรองได้แล้ว ตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เคินเคินต่อการถอดถอนจิตเดชทุกประเภทไม่มีการท่อถอยอ่อนใจมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะถอดถอนให้หมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยความเพียรก็เก่งไม่ว่าท่าไหนเก่งทั้งนั้นอุอึส่าห์พยายามความพินิจพิจารณาค่าควรต่างๆละเอียดละออไปตามๆกันเรยกว่าสุขคุมไปตามๆกันไปหมด เพราะทารวมตัวกันแล้วมีกําลังด้วยกันศรัทธาก็รวมวิริยะก็รวมลงไปมาจุดเดียวกันพละห้ารวมลงนั้นอธิบาททั้งสี่รวมลงที่จะพุ่มลงภ า, ายใ จ, จิตใจที่เต็มไปด้วยทธธี่ดุดทั้งหลายนั้นยากก็เพลินอารมณ์คำว่ายาก ที่มีผลตากฏอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ามีต้นทุนนั้นยากก็เหมือนไม่ยากขึ้นแต่ก่อนเราไม่มีต้นทุนไม่ตากฏว่ามีคุณมีรอนอะไรค่าโดยกำปั้นนันก็ลําบากคือบ้างพอมีเครื่องมือมีต้นทุนบ้างแล้วถึงจะลําบากก็เหมือนไม่ลําบากเพราะความพอใจมีสติปัญญามีพอต่อสู้ความท่าเพียนไม่ถอยหลังไม่ลดละจิตใจก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับลำดั เป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจดวงที่เคยอับเฉามาเป็งลานานนั้นให้ประจักษ์กับจิตของตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความคุ้มยากลำบากด้วยความเพียรท่าต่างๆจิตโลง่งภายในตัวส ง, งบพูดถึงเรื่องส ง, งบก็ส ง, งบส ง, งบเย็น ไม่ไมใช่สงบแบบคนสิ้นธาตสงบอย่างเย็ยนปัญญาเวลาถึงการปัญป ญ, ญาจะออกพิจารณาคนคว้าก็เต็มไม่เต็มหน่วยสู้ไม่ถอยกลางคืนกลางวันเต็มไปได้วยความภาเคเกียนความลำบากลำบนด้วยปัจจัยสี่ไม่สนใจ ขอให้ได้ประกอบความภาคเพียนเป็นสติกำลังความสามารถเป็นที่พอใจของนักปฏิบัติผู้หวังรู้ทมผู้หวังรู้แจ้งถหงจริงในธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะผลสุดท้ายจิตที่เคยมืดดำมาก็เปิดเผยตัวออกมาให้เห็นเป็นความวร้างขจางแจ้งเป็นความอัศจรรย์อุบาสจิปัญญาที่เคยมืดไม่ปิดตา คิดอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวออกออกมาด้วยลวดลายแห่งความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์คือพิเรศที่แสดงตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมมีเป็นเมื่อสติปัญญาเข้าขั้นนี้แล้วพิเลศที่จะสั้งสมตัวขึ้นมาสั้งสมกำลังนั้นลดน้อยลงไปโดยลำดับลงมา จนสามารถพูดได้ว่าพิเรศไม่มีทางสั่งสมตัวได้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่พิเรศที่มีอยู่ก็ถูกทำลายไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาขุกคน้นไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบทใดทั้งนั้นเป็นเครื่องกีดขวางความเพียรมีแต่ท่าแห่งความเพียรจะทั้งหมดหมายถึงสติปัญญาหมุงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเอียบทใด นี่ยิ่งเห็นชัดเจนจิตใจยิ่งเด่นเหมือกิเลสขึ้นมาเป็นลาดับหนักนะเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ยอมแพ้กิเลสนี้ทําไมจะพูดไม่ได้เมื่อเห็นประจักษ์ในกําลังของตัวว่าเป็นผู้สามารถแค่ไหนสติปัญญาที่ออกตะเวนค้นคว้าหากิเลสนั้นรอบซวนตลอดเวลากิเลสตัวไหนจะออกสามารถออกมาเพ่ทงท่านกล้าหารต่อสติปัญญาประเภทนี้ไม่มี นอกจากจะเข้าหลบซ่อนเข้าหลบซ่อนก็ต้องขุดค้นลงด้วยสติปัญญาเช่นเดียวกันเที่ท่านว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั้นคือขุดคน้นมาหยุดไม่ถอยเวลาไปเจิญเขาแล้วก็พันกันเข้าเลยเรียกว่าตรูมบอนเอาจนเห็นเหตุเห็นผลจนกระทั่งถึง่อยวางละได้ในจิเลสประเภทนั้นเมื่อหมดประเภทนี้แล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรพ้น สติปัญญาขั้นนี้จะไม่มียอมไม่มีถอยขุดค้นอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนค้นหาเหตุหาผลศอกนั่นแสวงหา t h i ขุดคุ้ยไปจนปรากฏขึ้นมาพอปรากฏตัวกิเลส ข, ขึ้นมาปาั๊บจับเงื่อนนั้นตามมันเข้าไปค้นคว้างเข้าไปจนได้เหตุได้ผลแล้วปล่อยวางการแก้กิเลสต้องแก้ไปเป็นลําดับลําดับเช่นนี้ก่อน จนกระทั่งยิเล็บมันรวมตัวที่เคยพูดเสมอว่าอาวิชาแท้นั่นรวมตัวธรรมชาตินั้นต้องผ่านขุดค้นทีเดียวเวลาถอนก็ ท, ทุ่ดทีเดียวไม่มีเหลือเลยส่วนกินก้านของมันนั้นต้องได้ตัดกิ่งนั้นก้านนี้เลื่อยไปขาขาไหนที่ออกมากน้อย เล็โตขนาดไหนตัดด้วยปัญญาตัดด้วยปัญญาขาดลงไปขาดลงไปผมมดูา้าพไปยังเดียวหัวต่อถอดหัวต่อถอนหัวต้อนี้ถอดยากผมนยาแต่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทวดเพืองหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยแหละความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภาคเพียนมามากน้อยเพียงไรเราจะไม่เห็นคุณค่าอย่างไรเราโมกกองทุกทั้งมวลมากน้อยเพียงไร ซึ่งทับอยู่บนหัวใจได้ทลายลงไปหมดเพื่ออำนาจแห่งความเพียรที่ว่าทุกๆดราม่าลำบากทั้งหลายนั้นคุ้มค่าตายก็าตายไปเถิดตายด้วยความทุกข์เพราะความเพียรนีไม่เสียดายชีวิเพราะได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นผลของความเพียรเป็นอย่างไรบ้างาก็จักษ์กับติดทั้งตนเองการบําเพ็ญเพียร ต้องเป็นผู้ไม่ท้อถอยหนีอะไรพิจารณาการพาณาจิตใจมืดเราก็ทราบว่ามืดกิเลส ก, ก็จิตไม่เคยมืดคือความรู้จริงๆไม่ปิดตัวเองทุกขณะไหนก็ทราบว่าทุกสุกขก็ทราบว่าสุขมืดก็ทราบว่ามืดสว่างก็ทราบสว่างหนักเบาแค่ไหนผู้รับรู้รั บ, รบอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นตัวเองเลยผู้นี้คือ ผ, ผู้รับอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมดแมาจะถูกกิเลสลุมน้อมอยู่ขนาดไหนก็ตามความรู้อันนี้จะเด่นตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอสมกับชื่อว่าผู้รู้คูอจิตนี่ลรจะเอาผู้นี้ล่ะให้พ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งพัวพันทั้งหลายมาเป็นอิสระภายในตัวเองเนื้อจากความรู้ล้วนๆนี้จึงต้องได้พิจารณา แก้ไขกันยากง่ายลําบากเพียงไรก็ต้องทําเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยทั้งหมดเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะการถอดถอนพิษภัยออกจากจิตใจแล้วเราไม่มีทางก้าเดินออกจากทุกข์ได้เลยเช่นเดียวกับการถอนหัวหนามถอดน้ําถอนน้ําออกจากเท้าของเราการถอดถอนน้ําออกจากเท้าของเราเราจะถือว่าเจ็บปวดแล้วไม่กล้าจะถอดถอนนั้นแหละคือเท้าจะเสียหมด ขหนหน้ำฝังจมอยู่ที่นั่นเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะทำให้ท้าเรากำเริบมากมายกกองถึงกับเสียไปหมดเพราะฉะนั้นโดยทางเหตุผลแล้วจะทุกข์ลำบากทุกข์ขนาดไหนต้องถอนจนได้ไม่ถอนน้ำนั่นเป็นไปไม่ได้นะทุกข์ก็ต้องถอนนี่แหละการบำเพ็ญเพียรน้ำคือกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอยู่ถ้าไม่ถอนแล้ว จะเป็นอย่างไรการถอนหัวน้นามคื่กิเลสด้วยความเพียรจะทุกข์ยากละบากขนาดไหนต้องต้องทำโดยทางเหตุผลตายก็ต้องยอมเพื่อให้หนาอันนี้ออกจากจิตใจจะไม่ต้องเกียดแทงกันไปนะานพูดถึงว่ากิเลสมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่รอบตัวของเราเฉพาะอย่างยินเอารอบตัวนี้ส่วนภายนอกเราก็ยกไว้เวลาพิจารณาเข้ามาแล้วมันมาอยู่รอบตัว หือไล่เข้ามาหาตัวของเรามันติดรูปติดเสียงติดปิ่นติดเลือดคุณสมบัติสมบัติธาตุเป็นสถานต่างๆนานามันเป็นกิเลสไปหมดเพราะจิตพาให้เป็นสิ่งนั้นเขาไม่เป็นกิเลสแต่จิตไปติดสิ่งใแล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นกิเลสเพราจิตพาให้เป็นจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้หายสงสยัยถอนตัวเข้ามาสุดท้ายก็มามีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราเนี่ยมันมีทิฏฐ์มันก็ต้องถือตัวเป็นที่หนึ่ง ความรักความสงวนไม่ว่าอันใดเหนือความรักตัวสงวนตัวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคิเลสประเภทนี้จึงไม่มีที่ก่อแล้วจึงต้องเข้ามารวมตัวอยู่ในตัวของตัวจึงต้องมาไล่ที่ตรงนี้ไล่ตรงนี้ไล่ยากหน่อยยากก็ไล่เพราะเข้ามาตรงนี้ก็เป็นคิเลสมืันกันข้างนอกมันก็เป็นเสี้ยนเป็นหนามเหมือนกันเป็นพิษเป็นทางเหมือนกันต้องไล่ไล่ออกถอดออก ด้วยการพิจารณาเร่อถัดเรื่องขันแยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นพื้นเพของจิตได้อย่างชัดเจนว่าสักแต่ว่าถ้าสักแต่ว่าขันหน่ะเมื่อพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเป็นอั้งสักแต่ว่าสักแต่ว่าเมื่อลงถึงขั้นสักแต่ว่าแล้วจะไปถือมันได้อย่างไรท้อปัญญาหวานล้อมไปหมดแล้วปัญญาช้ำระั้งหมดชะล้างไปหมด มนทินคือกิเลสที่ปไปติดพันอยู่กับสิ่งใดความสำคัญมนันหมายงจนไปเกี่ยวข้องปไปติดพั น, นที่ตร ง, งไหนาติปัญญาชะล้างไปหมดแก้กดเครื่องไปหมดไปหมดโดยลํำดับลำดับสุดท้าก็มาสักแต่ว่าครับรูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่าอาการใดที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราที่ให้นามว่ารูปก็สักแต่ว่าเท่านั้นไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลย จะยิ่งไปได้อย่างไงเมื่อจิตไม่ส่งเสริมให้มันยิ่งจิตเป็นผู้ส่งเสริมจิตเป็นผู้กดทวงตัวเองต่างหากเมื่อถ้ิตปัญญาพิจารณาตามหลักความจรงิงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จริงของมันเขาเรียกว่าสักแต่ว่านี่ยเมื่อสักแต่ว่าแล้วจิตไม่เห็นสิ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาพอที่จะไปยึดไปถือแล้วจิตก็หายกังวดรูปก็สักแต่ว่าถึงยังเป็นอยู่ก็สักแต่ว่าเนี่ยตายไปแล้วก็มันก็สักแต่ว่าความเปลี่ยนสภาพของมันเท่านั้นเนี่ย เนธนามันเกิดขึ้นมาก็สัตว์แต่ว่าสลาเรื่องไปก็ตามสภาพของมันตามสภาพของมันทุกทุกอาการทุกอาการเป็นลาดับลำดับไปผมจะ ท, ท, ท้าจิตที่เรามีความรับความสงวนอย่างยิ่งด้วยอำนาจแผ่งนีิเดตประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปท่านเรียกว่าคิตานุ ป, ปัฏานีม่มันจับแต่ว่าจิต คือให้เป็นสภาพหนึ่งเช่นเดียวกับสภาวัฒน์ทั้งหลายยาถือจิตนั่นเข้ามาเป็นตนจากทําการจิตก็เป็นตนยาถือจิตก็เป็นตน จ, จะนพิจารณาไม่ได้เพราะความรักเพราะความสงวนกลัวว่าจิตจะเป็นอะไรต่ออะไรไปเสียเนี่ยก็มาสงวนตรงนี้จึงต้องพิจารณาตามเรื่องที่ท่านวอกจิตตาโนปัสนาพิจารณาลงไปใหเห็นแต่ว่าสักแต่ว่าจิตคิดก็เห็นแต่สักแต่ว่าคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วศักด์แต่ว่าคิด ก, ก็าปรุงแล้วก็ดับไปดับไปให้มันสักดิแต่ว่าศักดแต่ ว, ว่าจนตั้งถึงหน้าฐานของมันหน้าฐานของมันคือคือกิเลสชนิดละเอียดที่สุดอยู่ภายในนั้นแต่มันอยู่ในจิตเราไม่พิจารณาจิตเรามันไม่ได้เราจะส่งมันจิตไว้แล้วพิจารกกิเลสประเภทนี้มันไม่ได้อก็เหมือนกับโจรมันเข้าอยู่ในอุโมงค์นี่เราจะเสียดายอุโมงค์ไม่ได้ ต้องระเบิดหมดทั้งอุโมงนั้นอ่ะให้มันแตก้งหมดระหว่างยนี่ก็เหมือนกันระเบิดเข้าไปหมดเลยตรงนี้อุโมงคือจิตนี่อ้าวถ้าจิตเป็นผู้จริงจริงๆทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความจริงจริงจิต จ, จะไม่ทิหายแต่ทิพไผ่ตั้งแต่จริงที่เป็นสมมุติฐานธรรมชาติตัวจริงของสมมติแท้จะไม่ะแล้วอะไรจะเป็นสมมติคำว่าจิตจะเป็นสมมติอ้าวถ้าจิตยังสามารถจะเป็นสมมติได้ ทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิจารณาทุกอย่างแล้วก็ให้จิตจิตก็คงจะยังเหลืออยู่อันใดที่ไม่ทนต่อการพิจารณาอันใดที่เป็นสิ่งที่จอมปลอมมันจะสลายตัวของมันไปพิจารณาลงไปที่จิตมีชั่วเกิดสิ่งจะยกแยกแยๆยกอยู่ภายในจิตทนั้นดับไปก็ไปที่จิตแง่ขนุนไปที่นาขไปเอาจิตเป็นสนามโลกที่น เราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นอรรถเป็นสนามรบพิจารณาด้วยปัญญาฐานเข้ามาจนกระทั่งถึงเอารูปเดินทางพิจารณัญญาฐาอินยามเป็นสนามรบพิจารณาจนรู้แจ้งจริงแล้วปล่อยวางปล่อยวา ง, วางตามไปจรนงอ้าวที่นี่พิเรฒมันไม่มีที่ซ่อนเขาวิ่งตัวเข้าไปอยู่ในจิต ด, ดียเอาคือจิตเอาจิตเป็นสนามรบอีกฟาดฟันธุ์ด้วยปัญญาหันแหลกลงไป โดยลำดับดาโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นว่าจะสงวนอะไรไว้เลย อ, อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาให้มันแหลกไปหมดให้มันเข้าใจไปหมดนั่นสุดท้ายกิเรสก็ทนตัวอยู่ไปได้กระจายออกไปหมดนั่นของจอมต้องสลายตัวไปของจริงอันนั่งเดิมแท้ได้จะจิก็เป็นธรรมชาติที่บริสึกขึ้นมาหาความสลายหาความที่หายไปไม่มีเลย นี่แหละคือความกระสุดแท้เราชำระเพื่ออันนี้อันธรรมชาติแท้นี้ไม่ตายไม่ชิบหายถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนคา้าันลงไปด้วยสติปัญญาขนาดไหนก็ตามแต่สติปัญญาจะคว้าฟันจิตให้แหลละเอียดจนชิพายาหมดนั้นเป็นตปไม่ได้นั่นสุดท้าก็จิตบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปัญญาก็ ค่อหมดความหมายหรือหมดภาระหน้าที่ของตนไปเองไปตามหลักธรรมชาติของสติปัญญานอกจากเราจะนํามาใช้ในการตามการตามเวลาในแง่ต่างๆนิตุระหน้าที่ต่างๆเท่านั้นที่จะมาแก้มาทําลายกิเลสขึ้นมาถอถอนกิเลสด้วยปัญญาดังที่เคยเป็นมาแล้วมันไม่มีกิเลสจะถอนถอนก็ไม่ทราบจะปัญญาจะมาถอนอะไรต่างอันต่างหมดหน้าที่อตัวไป ที่ยังเหลืออยู่เหลือสัตจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทย น, นิโรธมากก็ได้แจ้งความบริสุธิดคือผู้รู้ล้วนๆหนีผู้นี้แหละเป็นผู้พ้นจากสมมุตริรดยประการทั้งปวงพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วส่งไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นี่ท่าเรียกว่าวิมุตต์เราจะจะหาวิมุตตที่ไหนความดูด้นดุดที่ไหนมันติดข้องอยู่ที่ไหน เมื่อพ้นจากความติดข้องแล้วมันก็เป็นความอิ่พ้นที่เรียกว่ามนุษยธนรมหรือเหมือนลดมาติดเพียงท่านี้เมือนเข้ามาขึ้นนงใช่ไหม